พูดคุยโวโอ้ดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักเหนื่อยรู้จักเบื่อเพราะฉะนั้นเราเจริญสติมากๆนะ้นเราจะเริ่มเห็นนิสัยเสียๆของเราเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติมากๆเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจไอ้ปมปัญหาในตัวเองฮทําไมตัวเองเป็นทุกข์ทำไมตัวเองจึง ชอบคิดเปรียบเทียบอิจฉาคนน้นคนนี้นะฮะจากการเห็นกิเลสจากการเห็นปัญหาในตัวเองจากการรู้รู้จักปัญหาเนี่ยมันต้นเข้าไปตัดใอ้ความไม่รู้ครับซึ่งเป็นรากง่าวของต้นตอของออออความทุกข์ มารู้มากเข้ามาเข้าเหมอนละบากไม้นะครับรู้ครั้งหนึ่งันมารู้ตัวครั้งหนึ่งพะมันคิดหรือมีอะไรเกิดขึ้นเรารู้ตัวครั้งหนึ่งเราเห็นมันภายในของเราเนะี่ยมันเหมือนละบากไม้ไมนะมกกที่ขวานคมๆนะชาวบ้านเขาโค่นต้นไม้เ้าก็โค่นซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีทีละครั้งทีละครั้งเท่านั้นในสึดต้นไม้ทนั้นก็ขาดสบนนานะับปันลง ดังนั้นจากเรื่องราวที่ที่เรารับฟังมาทั้งหมดนี้ครับมันอาจจะสรุปได้ง่ายนเดียวคือว่าให้เรารู้ตัวให้เรารู้อ่าในเรื่องข้างนอกนึงรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่เรื่องข้างในไม่ได้เช่นจิตคิดนึกอย่างไรต้องรู้ครับ ไม่ไ้หมามันรู้มันกำลังคิดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้มันคิดซ้อนคิดเช่นว่าเราลงคิดดูเอ๊ะเมื่อกี้เราคิดอะไรไปนะสองสาเรื่องเลยอ๋อเราคิดเรื่องนั้นอย่างนี้มันคิดซ้อนไปจีิงเ่้าใจไหมครับมันคิดซ้อนคิดการคิดซ้อนคิดชนี้จะไม่มีผลเลยครับเพราะว่าเปรียบเหมือนคนต่อสู้กันใต้น้ําต่างคนต่างไม่มีจุดยืนตีนไม่ติดดินทั้งคู่กันเลยไม่ได้เรื่องไม่ได้ราทั้งคู่ ดันั้นสิ่งที่ผมเรียกว่าเห็นก็คือมันเห็นโดยไม่ต้องคิดนะครับเราเฝ้าดูอย่างนี้พอจิตใจมันคิดวูาว่าไปเรื่องอะไรเรื่องดีก็ตามเรื่องชั่วก็ตามทิ้งเลยคิดปั๊บก็ทิ้งทันทีเลยหรือปฏิกิริยาหรือผลข้างเคียงเกิดขึ้นเช่นความปวดหัวปุ ป, ปับเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเรารู้ก็เราไม่สนใจทันที หรือปิติหรือเกิดสบายใจแบบที่เมื่อกี้บอกผมว่าอยู่ดีๆเกิดจำใสสบายใจนี่ทิ้งทันทีคืออย่าไปสนใจพอสนใจพับนี่มันมันกลายเป็นความคิดพอสนใจว่าโอ้นี่ดีจริงๆเราก็เริ่มคิดอีกแล้วพอเข้าไปในกระแสความคิดอส่วนนี้จะหายไปทันทีกลายความทุกข์กลายเป็นปัญหาขึ้นมานั้นเราปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากปัญหา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 ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นครับจิตใจที่แท้ของมนมุษย์เนี่ยมันเหมือนกับผืนผ้าผืนหนึ่งที่คลียออกมาแล้วก็เต็มรูปเต็มทรงแต่เนื่องจากเราใช้ชีวิตมาตามใจตามอารมณ์ตลอดดังนั้นมันคล้ายๆผ้าผืนนี้ใครคนหนึ่งเอากาวทาทาทาแล้วพับพับมันก็ติดย่นกันในสูญเสียความยาวเข้าใจไหครับมันก็ค่อยสูญเสียขณะที่แท้ของมัน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 เ้าหรือผ้าเช็ดมือไม่ไ ม, ไม่ทราบแล้วท่านครีวให้ให้มันยาวแล้วท่านก็เริ่มผูกปมที่หนึ่งแล้วถามพระอรุณ น, น, นี่อะไรกันอาะอรุณพระอรุณก็พาซื่อบอก ป, อปอมพระเจ้าค่ะแล้วสุดเดียมพระเจ้าก็ผูกอีกวิธีหนึ่งแล้วถามนี่อะไรพระอรุณตอบว่าปมพระเจ้าค่ะแล้วท่านผูกอีกวิธีหนึ่งครบถึงหกปมเลในสุดผ้าอย่านั้นก็ค่อยสูญเสียความยาว เหลือแต่ปมปมปมปมที่พี่เจ้าถามถ้าสมมุติเธอจะแก้ปมเหล่านี้เธอจะทำยังไงเพื่อจะให้ผืนผ้าตัวนี้เที่ยวเหมือนเดิมพรานรินทร์ก็ตอบว่าข้าพระองค์ต้องสำรวจดูก่อนว่าปมนั้นๆถูกผูกขึ้นอย่างไรเมื่อรู้ว่าถูกผูกขึ้นอย่างไรแล้วพระองค์ก็จะคลายมันตามที่เห็นมุมผูกเข้ามาอย่างไรมันก็แก้ทางนั้น พระเจ้าก็ประทานสาธุการมันก็บอกว่าถูกต้องแล้วมันบอกและท่านก็ชี้ว่าปมชีวิตก็เป็นอย่างนังน้นปมใจก็เป็นอย่างนังน้นที่เราไปรักไปชอบใครเข้านรืไปยึดถืออะไรเข้าเนี่ยมันเกิดเป็นปมอี่เช่นคนบางคนมีเรื่องอยู่่นะ้รก็มีปมที่ใจเนี่ยหน้าเศร้าทีนี้ก็ไปดูละค ร, ระเผอิญเรื่องในละครนั้นเนี่ยมัน มันเขีย่ยปมใจในตัวเข้าก็รู้สึกไม่ผาสุกหรือไปฟังพระเทศพระไม่ได้เจตนาที่จะว่ากล่าวเฉพาะตัวอะไรแต่แล้วเจ้าตัวก็รู้สึกว่าถูกดา่าเพราะมันมีปมอันนั้นเด้อนั้นคนพอมีปมที่ใจแล้วนะครับมันจะรู้สึกตัวเหมือนสูญเสียไอเนื้อที่เยันกว้างขวางของของใจ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 ดันั้นเนื้อที่ว่างในภายในนี้สำคัญมากคับคนบราณมีก็พูดดีบอกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากถ้าอาจะมีที่ทแค บ, แบห้องแถวหรืออะไรนี่แต่ถ้าจิตใจเรากว้างก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่หากเราอยู่ตึกอยู่ปราสาทอยู่ห้องใหญ่โอทงซึ่งไม่ได้คับที่แต่จิตใจมันับแคบ อยู่ยากคนงเพราะความอยู่เราอยู่ทั้งสองส่วนคือกายก็อยู่ในบ้านแต่ตัวเราจริงๆอยู่ในหัวใจเราพอหัวใจเราหดหูชื่อว่าตัวเราหดหูหัวใจเราแห้งชื่อว่าตัวเราแห้งหัวใจเราชุ่มก็ชื่อว่าตัวชีวิตเราชุ่มหัวใจเรากว้างขวางชีวิตก็เบิกบานควางขวางหรือหัวใจเราสลด ชีวิตเราก็สลดหัวใจเราหนักแน่นชื่อว่าชีวิตนั้นหนักแน่นสิงนี้เห็นได้ง่ายครับแต่เราไม่ค่อยจะสังเกตถึงอย่างไราพบคนบางคนหนึ่งเขาบางคนหนักแน่นไม่ค่อยวันไหวไง่ายไม่ใช่เพราะคนนั้นเก่งนะที่จริงใจเขาดีันั้ครับแล้วการที่ใจดีมีเหตุมีเหตุคือเขาไม่ค่อยทําลายใจิตใจของตัวเอง เมื่อเขาไม่ทำลายใจตัวเองเขาก็มีใจซึ่งดีเช่นเดียวกับคนรวยและคนยากไร้นะครับสมมติว่ามีคนเพื่อนสองคนเป็นเพื่อนกันอีคนหนึ่งเก็บสะสมเงินเรื่อยก็เมดกรรมนะครับอีกคนหนึ่งอิรุ่ยชุยชากได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดยี่สิบปีให้หลังคนหนึ่งกลามเศ็ศรษฐีอีกคนหนึ่งยังกางเขอทานสมมุติ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 ย้ายหลังพึ่งแล้วไปหยิบเอาพึ่งเพื่อตัวไปเพื่อจะย้ายรังนี้เป็นปัญหาอาจะย้ายใม่สาเร็จแล้วก็ถกพึ่งต่อยมด้วยถ้าคนรู้จักธรรมชาติของพึ่งดีๆก็เอาตัวนางพญาตัวเดียวเท่านั้นเองไปไว้ที่ที่เราต้องการแต่จากนั้นพึ่งน้อ ย, อ ย, อยพึ่งงานมันจะตามไปเองเราปฏิบัติคุณธรรมที่เป็นหลัก กุศลธรรมอื่นๆเครื่องประกอบก็จะตามมาเองนะฮะเปรียบเหมือนลำทานซึ่งไหลไปลตัวลำทานนี่สำคัญมากเพราะน้ำไหลไปสักพักหนึ่งสมมติว่าเขาขุดคลองใหม่ขุดขุดคลองใหม่พอน้ำเดินปีสองปีขอบของคูหรือคลองนั้นก็เริ่มมีพืชน้ำเกิดขึ้นละอองน้ำทำให้เกิดผล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 เพราความรู้สึกตัวมันเหมือนกับสิ่งที่เป็นอาหารของชีวิตหรือพูดเด้วเป็นตัวชีวิตเองเหมือนที่ผมพูดหลายครั้งว่าชีวิต ค, คือความรู้สึกตัวได้ความรู้สึกสดๆเรียกว่าชีวิตแต่นี้มันมันรู้สึกทางกายนะแต่ถ้าความรู้สึกทางกายเชื่อมต่อไปถึงความรู้สึกทางหัวใจนั่นเรียกว่าชีวิตทางกายทางใจ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 มันก็สนุกกับอารมณ์ภายนอกมันยื่นไปรับนะครับหรือถ้าผู้ตรงๆอย่าห่าวของพูดอยาบโลนพบผู้หญิงเห็นผู้ชายก็อวัยวะเพศมก็ยื่นออกมาโดยธรรมชาติของมันตาภาษาป า, ากใต้เาเรียกตาล่อนะครับซึ่งหมายถึงโลกคำว่าตาล่อเนะี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมเข้าใจไหม ผมไม่รู้คนสงขาเขาเรื่องอย่างนั้นเขาบอกมึงอย่าตาล่อมาว่ามึงอยา่าละโมบนักเลยคือพอเห็นเลยตามก็ยืนยน่นไปตาล่อเขาเรื่องนั้นทีนี้พอเราเจริญสติเรื่อยๆมันก็หดกลับผู้หญิงก็กลับเข้าไปสู่ในตัวของหญิงนั่นเองผู้ชายก็กลับเข้าไปเด็กก็กลับเข้าไปในตัวเด็กนักบวชก็กลับเข้ามาในตัวนักบวชนั่นเอง ปฏิบัติอย่างนี้มันจะรู้สึกอย่างนั้นมันจะหดกลับเข้าไปหดกลับเข้าไปจนกระทั่งไปบรรจบ ก, กับหัวใจตัวเองเรียกว่าได้หัวใจตัวเองคืนมานะครับธรรมะจริงๆเนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้ที่รู้ล่วงหน้านี่เป็นเป็นแบบแบบแปลนครับคล้ายๆว่าเราจะสร้างบ้านตัวตัวเจ้าของบ้านไม่รู้ว่า ลูกสำเร็จของบ้านอย่างไรก็ให้สาวนิกก็สร้างแบบให้ดูหรือทาที่เขาเรียกหุน่นแต่ว่านั่นไม่ใช่บ้านนะครับเมื่อพูดเรื่องทางธรรมอธิบายนี้ต่อให้เราจำได้ท่องได้ขึ้นใจนั่นก็ไม่ใช่ธรรมะเป็นเป็นเป็นเนครื่องหมายเป็นอะไรนะแบบหุ่นบ้านนี่เราอยู่ไม่ได้แต่เราเห็นนี่เราพอจะนึกเขาได้ว่าเสร็จแล้วน่าจะอ ย, าอย่างนั้นอย่างนี้ จริงๆธรรมะนี่รู้เรื่องหน้าไม่ได้ครับแต่รู้ไปพิมเป็นปัญหาหนักเมื่อเราปฏิบัติเข้าเนี่ยมันได้ค่อยๆรู้เข้าแล้วก็รู้จริงขึ้นดังนั้นความรู้ที่รู้ล่วงหน้าก็ค่อยๆถูกพิสู์ถูกพิสูจน์ขึ้นที ท, ทีีเปรียบเหมือนคนที่เดินเข้าไปในห้องมืดแล้วกลัวว่ามีไอ้เหล็กลแหลมจะแทงลูกตาก็หันหลัง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 แต่ต้สังเกตดูชาวบ้านเนี่ยเขาเไม่าไม่ค่คคอยยากรู้อะไรลุงหน้าเท่าไหร่นักอาจจะมีจะเป็นเรนักศึกษาือกบาอาจาร์นะเขาต้องซักละเอียดมากเหมือนกับว่าคนหนึ่งบอกว่าอา๋อกินข้าวพ้าวถ่ผมกินแล้วผมจะอิ่มไหมกินแล้วมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เ็ามาก่อนเลย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 ดังนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเขาไม่นิยมอ่านหนังสือกันแต่เขาก็เป็นผู้ฉลาดและมีสีปัญญาดได้ที่อ่านหนังสือเนี่ยมันมันคล้ายๆมันมันรู้อะไรกว้างมากเลยแต่เป็นการรู้แบบเข้าๆเท่านั้นนะครับไม่ได้รู้จริงๆคนไทยบางคนอ่านแตไม่เคยไปเอสกิโมแต่อ่านหนังสือรู้มากเกี่ยวกับถินนะั้น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 ไม่เคยนึกว่าโลกกลมเลยแต่ถ้าถูกถามมัญหาก็ตอบว่าโลกกลมแต่โดยความจริงไม่ต้องใช้ความรู้อย่างนั้นมาดูปรากฏการณ์ธรรมชาติง่ายๆนะครับว่าเราพูดว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแต่โดยความจริงดวงวิสานเนี่ยเป็นยังไงครับสีสมอนตอบได้ไเราพูดว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระาทิตตกจริงๆโลกหมุนครับพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นและมันไม่ได้ตกด้วย มันนื่องจากโลกมันหมุนไปใช่ไหมครับถูกไหมแต่เราก็พูดว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอทิตย์ตกทีคนภาคใต้แถวพัทลุงพูดตลกตล ก, ตลกพระทิตย์ลงรูเขาพูดอะไพระอทิตตกก็พระอทิตย์ลงรูแล้วตอนขึ้นบอกพระทิตขึ้นจากรูเหยื่อเาเรียกอยังไงรูเหยื่อคือรูที่อากาศละเหยนึนครับมื่อแย่เนี่ยมันจะขุดรูแล้วมันจะเจาะลูทั้งหมด บางกาศคือมนุษย์มันมีอะไรที่มันมันสร้างเรื่องเอาเองมากๆเฮยทีนี้นก็ย้อนมาดูนะครับว่าตัวอินทรีย์ประสาทของมนุษย์นี่ผมใช้คําว่าอินทรีย์ประสาทก็คือตาหูจมูกลิน้นกายและใจนี่ครับแต่ะส่วนมันมีเรื่องมีราวของมันมีการงานเฉพาะของมัน ลองจินตนาการถึงสิ่งนี้นะครับผ ม, ผมทดลองใ ห, ให้สร้างจินตนาการสมมติว่าเราเดินทางมาในห้วงอกาศสมมติอ่านนะครับซึ่งมันจะจริงหรือไม่จริงในอีกร้อยศตวรรษข้างหน้านั้นเราก็ไม่รู้ได้ครับสมมติเราเดินทางมาในห้วงอากาศมมาซึ่งแห่ ง, งหนึนนมมนงนหง่งซึ่งไม่ใช่อกาศแถบโลกนี้แถบดาวโลกนี้น แล้วก็ไปเจอกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกสมมติไปนะเราจะพูดกับเขายังไงดีเรายิ้มเรายิ้มให้เขาก็อาจจะโมโหก็ได้หาว่าเสยะปากเพราะหน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนเราจริงมั้ยสมมติว่าเรายื่นมือจะแช็แขนด์ในเขาอาจจะยิงเปี้ยงเขาก็ได้ก็คิดว่าจะเป็นบีบคอเขาหนึ่งดังนั้นไอ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 ผมจับได้ไม่มีใครฟังเลยมีแต่คนพูดไอ้ฝ่ายสามีก็พูดอะไรก็ไอ่แล้วแล้วไอ้เมียก็ตอบโต้อยู่ตลอดเวลาถ้าเพียงทั้งคู่รู้สึกตัวเอะนี่รบกวนทางบ้านอยนะเท่านี้นนับว่าดีโคล่ะ แ, แต่ว่าไม่รู้สึกนบนั่นเองเอสังเกตดูนะครับอินษษทรีย์ศาสารที่เราเรียกว่าคน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 คือคือนั่นเป็นสมองกลุ่นแทกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเหลือเพียงนิดเดียวเล่นั้นนะครับมนุษย์มันมันฉลาดมากๆที่สร้างสมองกลมาเพื่อช่วยคิดช่วยงานมนุษย์แทนแล้วสมองกลนั้นก็เรียนแบบสมองของมนุษย์คือต้องใส่โปรแกรมให้มันมันจึงจะตอบคำถามได้คือใส่ข้อมูลอะไรต่างตางดังนั้นสมมติเราถอด หุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเราถอดโปรแกรมออกมันก็ล้มเต็ตงตัวนั้นนีะครับแต่นั่นคือหุ่นยนต์แต่มนุษย์เราไม่ใช่อย่างนั้นครับสมมติเราถอดหน่วยความจําำออกเช่ไหคือเราไม่จําอะไรนะครับมันยังมีชีวิตอยู่นี่ปัญหาของมนุษย์เราอยู่ตรงนี้ครับคือว่าเราจําสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วได้แม่น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 เพราะนั้นคนที่จําเรื่องราวที่เกิดในอดีตได้มากสมองมนุษย์นี้มีมหน่วยความจําสูงมากๆนะยิ่งกว่าไดาโนเสาร์ยิ่งกว่าสัตว์ทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นคนหนึ่งๆมันจํำอะไร ไ, ได้มากครับแต่ก็โชคดีที่มันยังมีการลืมได้ด้วยนะความจําเป็นอนิจจังจํามากนานข้าวมันลืมเดี๋ยวนี้ถ้าพวกเราจําได้ตั้งแต่ชั้นประถมที่เรียนอะไรมันมนี้หัวโตแล้ว มันที่มันลืมหมดดังนั้นจะเหลือแต่ประสบการณ์ง่ายๆของการกินการดื่มประสบการณ์นั้นเรามักจะพูดกันอย่าง่ยการศึกษานะะการศึกษาก็คือการเพิ่มพูนประสบการณ์แต่ผมจะบอกให้ว่าประสบการณ์นั้นเองเป็นปัญหาอยู่ในตัวมันแต่ใครสักคนหนึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ ปัญหาเรื่องเพศไม่มีคือมันไม่รู้เรื่องแต่ใครทุกคนมีแค่ไหนมันจะจําแหมมันจําประสบการณ์มันจําประสบการณ์แล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นหรือประสบการณ์ของการเครียดแค้นนะครับอาคาดใครทุกคนพอมีแล้วมันฝังใจเพราะนั้นคนมีประสบผมเคยได้ยินเขาพูดกันบ่อยว่าคนหันวนวัตกรรมจะหันวนวัตกรรมต้องมีประสบการณ์มากๆ ก, ก่อน ประบการณ์ในชีวิตใครต้องให้โชคเลือดมาก่อนโชคโชนมาก่อนงมคิอว่า น, นี่พูดไม่ถูกตอ้องแบบที่เมื่อตอนบ่ายนี่ใครพูดแนละ้มวดบทชีน้นีลักเลยก <c oughs> ็ว่าใายๆคนที่หันมาทางธรรมนี่ต้องเป็นคนที่ที่ผ่านประสบการณ์แล้วไม่สมหวังจึงจะหันมาทางธรรมดีที่จริงเรื่องทางธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องทางนั้นนะครับ เราทาเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งเป็นป ร, ประสบการณ์ที่ไม่สังสมเข้าใจไหมครับเรื่อนทางโลกนั่นนประสบการณ์ที่สังสมแต่ว่าทางธรรมนี่มันเป็นประสบการณ์กันแต่มันประสบการณ์ผ่านเลยเข้าใจไหมครับคือันมีอะไรมาสัมผัสก็ผ่านเลยดังนั้นมัน ส, งสังสมแต่ความรู้สึกตัวสติที่เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้น ถ้าเป็นประสบการณ์เพศสั่งสมนะครับนั่นจะออกไปตรงกันข้ามเช่นนักตําราเนี่ยเขาอ่านเล่มแล้วเล่มเล่าเล่มแล้วเล่มล่าจนกระทั้งกลายเป็นตู้กระจายพิดกเดินได้ <c oughs> รู้ทุกเรื่องครับนั่นคือนักตําราคือนักคิดหรือนักจําแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะครับจำตัวเดียวเท่านั้นเองครับคือสภาพรู้ พออะไรเกิดขึ้นไหวมันจะรู้พอรู้แล้วก็ผ่านเลยส่วนผลของการรู้เช่นความปิติความสุขอะไรหรือแม้แต่ตัวความเข้าใจไม่จะเป็นต้องสั่งสมนเลยนี่คือเรื่องราวของประสบการณ์นะครับจริงๆผมพูดหลายแงย่หลายมุมนะพูดมากคงพูดได้เรื่อยๆครับแต่มันจะไม่มีประโยชน์ พูดติดเรื่องการเมืองมาพูดก็ได้แตม่มีประโยชน์อะไรเลยครับพราะสักเดียวพวกเราก็ลืมจะพูดเรื่องศิลปะมึงก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดเรื่องอะไรๆไม่มีประโยชน์เลยครับจะมีเรื่องหนึ่งที่มีประโยชน์แต่พวกเราอาจจะเบื่อนะผมฟังฟังคือคล้ายๆมันเราพูดแต่เรื่องของสมมุติว่าผมจะพูดอย่างนี้ในทํานอง พูดในสิ่งที่ดีๆ ค, คือผลของการปฏิบัติก็ไม่สู้มีประโยชน์เปรียบเหมือนวอัวตัวหนึ่งเนี่ยเขาล่ามจมกูกกับหลักไนะ อ, วอ้วัวตัวนั้นเนี่ยเหลือไปเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีนี่มันก็ฝันอยากจะไปกินหญ้าสมมติเป็นวัวที่ช่างฝันนี่นี่อมันก็ดัน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 แล้วประกวดเสร็จชาวบ้านจะให้เงินแล้วถ้าให้เกินนี่แไม่รับแกเอาพอซื้อขนมปังกินวันหนึ่งแล้วทำอย่างนั้นสีนะะ่สิบกว่าปีพอแกตายนี่คนร้องไห้กันทั้งเมืองนที่ร้ันั่นคืออะไรบึงสิ่งที่อาจจะสอนเราได้นะครับว่าความสลักสำคัญของของมนุษย์ของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ที่ฐานะ